ชาวพุทธขาดการศึกษาเพราะพระไม่สอนหรือพระไม่มีความรู้ที่จะสอนเมื่อเอาหลักการมาวางอย่างนี้แล้วก็จะขอพูดถึงสภาพการในปัจจุบันเมื่อนังสือพิมพ์มาถามก็ต้องอธิบายกันยาวนานก็เลยย้อนถามพข้อหนึ่งให้ชาวพุทธลองสำรวจตัวเองว่าเวลานี้ชาวพุทธและคนไทยเราเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลัก หรือนับถือศิยศาสตร์เป็นหลักถ้านับถือพุทธศาสนาเป็นหลักก็หมายความว่าพุทธศาสนาเป็นพื้นเป็นสภาพที่ปรากฏทั่วไปเด่นอยู่แล้วศยศาสตร์อาจจะมีแต่ว่าแอบแฝงอยู่เป็นสิ่งที่พ่วงอยู่เล็กๆน้อยน้อ ย, อยติดมาแต่ถ้านับถือศิยศาสตร์เป็นหลักก็หมายความว่าการเชื่อถือในศิศาสตร์นั้นเป็นพื้นเป็นสิ่งที่ปรากฏเด่นทั่ว่วไป แล้วพระพุทธศาสนาก็กลายเป็นตัวประกอบไปเวลานี้ให้ชาวพุทธลองสำรวจตัวเองดูว่าสภาพความเชื่อในสังคมของตนเป็นอย่างไรและความคลาดเคลื่อนนี้มีความสัมพันธ์กันไหมกับข่าวเหตุการณ์ร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นมานี่เป็นการโยงลองโยงดูว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าลองคิดพิจารณากันดูมันน่าจะมีการโยงกัน ตามหลักการต่างๆที่พูดมาเมื่อกี้คือหลักธรรมะที่ถือว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาของกฎธรรมชาติอันจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยหลักกรรมที่เรียกว่ากรรมวาทะกรรมวาฏวิริยะวาทะวิริยาวาทอันถือหลักแห่งการกระทาและทำด้วยความเพียรพยายามหลักไรศิขา คือการที่มนุษย์จะต้องฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอหลักความไม่ประมาทที่จะต้องเร่งรัดตนเองไม่รีรอละเลยในการทำความเพียรพยายามนั้นหลักการพึ่งตนเองได้รวมทั้งหลักการละกิเลสเจริญกุศลไม่สนองความโลภความโกรธความหลงขัดเกลากิเลสให้น้อยลงเสียสละและบาเพ็ญความดีให้มากขึ้น มนุษย์ปัจจุบันนี้ที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเที่ยวอ้อนวอนต่างๆเพื่อสนองความต้องการของตนในเรื่องผลประโยชน์คิดแต่จะพึ่งจะขอจะรอจะเอาไม่พาคเพียนพึ่งตัวพัฒนาตนนั้นไม่เข้ากับหลักการที่กล่าวมาแสดงว่าได้มีการเคลื่อนคลาดจากหลักการของพระพุทธศาสนา เหตุการณ์ที่ผ่านมาในรอบสิบปีนี้ได้ฟ้องถึงสภาพความคลาดเคลื่อนจากหลักการของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจริงก็จะต้องตื่นตัวกันขึ้นมาแล้วรีบแก้ไขปรับปรุงนําเข้าสู่หลักการที่แท้จริงกันเสียทีถ้าพวกเราชาวพุทธเคลื่อนคลาดจากหลักการของพระพุทธศาสนาความคลาดเคลื่อนนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรสาเหตุอย่างหนึ่ง คงจะมาจัด ก, การที่ชาวพุทธไม่รู้หลักการของพระพุทธศาสนาว่าคืออะไรอย่างหลักสามประการที่พูดมานี้ชาวพุทธมีความรู้ตระหนักเข้าใจกันดีหรือไม่ถ้าชาวพุทธไม่รู้ก็เพราะขาดการศึกษานั่นเองทําไมจึงขาดการศึกษาเป็นไปได้ไหมว่าผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาแก่ชาวพุทธไม่ได้ทําหน้าที่ให้การศึกษาแก่ชาวพุทธ หรือว่าตัวเองก็ไม่มีการศึกษาผู้ที่จะให้การศึกษาแก่ชาวพุทธก็คือพระสงฆ์ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าสถานการณ์ที่ประชาชนเคลื่อนคลาดไปจากหลักการของพระพุทธศาสนาขาดการศึกษานั้นอาจจะมาจากการที่พระสงฆ์ไม่สอนหรือพระสงฆ์ไม่มีความรู้ที่จะสอนอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ เรื่องก็มาถึงตัวพระสงฆ์ว่าจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแต่อย่างน้อยถ้ามองในแง่ความรับผิดชอบของชาวพุทธทั้งหมดในฐานะพุทธบริษัท4ก็เป็นเวลาที่ต้องมาสารวจความเชื่อของตัวเองว่าการที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมานั้นอาจจะเป็นเพราะต้นเหตุ ท, ที่เกิดจากชาวพุทธเองหมายความว่าชาวพุทธเองนี่แหละ เป็นตัวเหตุปัจจัยที่สร้างเหตุการณ์ร้ายทําให้เกิดสภาพความเสื่อมของพระพุทธศาสนาขึ้นมาไม่ใช่ใครอื่นเลยชาวพุทธนี่แหละร่วมกันกระทําเพราะว่าถ้าชาวพุทธรู้หลักการของพระพุทธศาสนาดีเหตุการณ์ที่จะขยายบานปลายโตมาถึงเพียงนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้พอมีพฤติกรรมที่ผิดจากหลักพระพุทธศาสนาก็จะถูกยับยั้งตั้งแต่ต้นเลย เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ร้ายนี้ที่เกิดขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะชาวพุทธเองที่มีความไม่รู้ไม่เข้าใจเชื่อถือผิดพลาดถ้าอย่างนี้ลองดูต่อไปอีกการที่ชาวพุทธไม่รู้แล้วเข้าใจผิดเชื่อผิดและพระสงฆ์ไม่ได้สอนให้ถูกต้องหรือพระสงฆ์ขาดการศึกษาซิเองนี้มันมาจากอะไรลองพิจารณาดูไปดูไปคิดว่า เหตุปัจจัยหนึ่งก็คือความได้มีความคลาดเคลื่อนในระบบความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชน